พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่ยี่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าสัตว์ป่าเขาก็มาอาศัยวัดนั่นไผ เป็นผู้ชํานาญการจับปลิกบ้างปะในวัดเท่าเนี่ยมือเส้าเนี่ยคำลั่งมันกําลั่งล่างขึ้นมาจาลาเนี่ยแทนตูขาว่ะกานคำเป็นตูขาพยูในซาลาเนี่ยโอ้ยมูลเอลเอล่เลยแถว ม, มันเดือนะลิงกนะเพราะนั่นพวกกูบาทั้งหลายแหละมันต้องเตรียมกรงไว้กรงไหนเตรียมตะข่ายไว้กรงตะข่ายเอาเคยบอกไว้เลย ทั้งในข้างนอกอ่ะเตรียมๆกงใหญ่ๆจากนั้นก็ให้ลิงเอาอาหารพวกข้าวพวกอะไรให้ไปแต่มันก็ฉลาดนดเลี้ยงของเขาได้ลิ้งปริญญาทรรมวัฒน์เนีพวกกูบาทเนี่ยปล่อยซีวันออกไปบอแมนธรรมดาเลี้ยงบัดเข่าเนี่ยฉลาดมันไปสมมุติว่ากงเนี่ยกงใส่กล้ว ย, ยไวเนี่ย เวลานั่นน่ยพระจับเธอหนึ่งสองเธอเท่านั้นแหละเออมันเลี้ยนรูดเลยพ่อจากนั้นม่านลูกน้องมันมั่นเอหัวหนายายมั่นเองม่านนางอยู่ปากก่งเด้เอตัวใดที่เขาม้ายิงแขวาเซลล์อะไรมึงจะไปเข่าอันตรายขนัานมันว่ามันสอนลูกน้องมั่นพอปั่นลงพอสอนลูกน้องกูมื่นเลยทุกทเพราะมันที่เข่าโกงอะไร หมูมันติดเขากงหัวหนามนะัน่ยยิงแขวะซะเลยออไปลูกนอกมันแตกหนีมัดฝนออกไปเพราะมันหัวหนามันอยู่ในปากปากไอ้ปากกงมันเนี่พรในในกงนโห้ยกล่วยแขนสาปราบโยนออกไปต้องรีบกูบาก็จะให้รีบเขาเป็นบัวนะที่แล้วเขาอยู่เข่าร่างเข้าไปสามสี 3, 4, 6, ่หกตัวกูบากระปดสายใยเท่าอัปิดตับโดนเนี่มันก็ปิดกูบากเขาไปจับจับจั บ, จบ ไม่ไม่กันใดพูดละเกือบสิบตัวพูะใส่ในโกงพูะเอาไปปลอยรบเล่าพูะวัดทันเรื่องพูดละเงื้เงื้อทีเป็นเป็นมื่นไล่พนดละจากนี้ไปปลอยขอป่าจากนั้นกันมากก็จับเทอ่์ดีสองเทอร์ทีสามอ้แหละปบะเนี่ยวัวนามันเห็นแหละมันเรียนหลุดไว้เน้หัวัวนามันกับมานนั่งเฝ้าปากกงน่ะตัวใดมากกัยิงแข่ามึงจะเขาอันตรายราะฉะนั เออเอาไปมากเจ้าของเบืองเห็นกล้วยคืดคืดหิวขึ้นเมาหมดไเพกีก็มากกระโดดเขาไปเลยได้หมดไปว่ายเด็กระโดดไปดึงกล้วยเดนวยส่งนวยกระโดดออกเมาหไปไอคู่บาทีจีปศแสไงนเนี่ยเข็ดเข็ดเสวีอยู่ <laughs> หมไปปศพอท่านหมดมันมันว่าโพดหมดไป มันเล็าดาดล้วขนาดเลยมันาไปโดดปั๊บๆโดดรวดเรไวนะปั๊บโดดเลยไปาแล้วมันก็บบมุมคู่บาขึ้นเข้าหน้าไอคู่บาก็เตรียมท่าแล้วบอลเฮ็ดมอโมไปมันเาไปมันก็โดด ป, ปั๊บก็ไปหาก๊ากอเลยต่าเลยมัโอ้ยมันมันอยู่ทางนอกมันเก่งเลยมันทำทายิงแข่าใช่ไหมท่าพอมันถือกงแล้วบอลเชยย่ยอมแพรทุกประตูเลยบไป ออหัวหน่าเป็นทังสี่ถูกไหวหัวหน่านักเลงไ่วะอจับมาบ้างอะยรเชินไปย่อมแพร่วนไปไปว่าขาสู้ขาสูไรแล้วมัไปขาย่อมแพรแล้วมันไปนั่นน่ะขั้นจับหัวหน่าไปแล้วปาะเนี่เอาไปปล่อยคนน่ะปล่อยวัดหลงทันซักหน้าแค่บังปล่อยวัดทันเที่ยงลุกเล่าบังบางที่ก็ไปปล่อยวัดทันสดม่านเพิ่มบ้างมันไปบางทีมันกว้างเลย ทีมันบ่มีขอบเขตพ่อปล่อยไปแล้วบา้านเลยอีกบรรดนลได้โป๊เ ก, เกินบปเกินอาทิตย์วันโนไปมันก็เลือกหัวหน้าขึ้นมาใหม่อีกได้เรี่ยงเตือนให้เบิงกลดขั้นเขาไปขั้นเขายางออกไปนะขั้นตัวใดงยางหางฉางหางตัง้งขึ้นมาหนา่อยยางท่าทางโอย่อายโอยอาหน่ะตัวนั้นหัวหนาเอานไป หัวหนาใายเลยนะเห้เบืองหลอดไปนี่พาน้าจับน่จับหัวหนาหญ่มนะันเห้เศรได้เศดือ่อเลยพืหายสาแลยวมันไปเงียบเก็บอีกสักบ่ ถ, ถึงอาทิตย์เฮเลือกตั้งมาได้หัวหน้าใหม่ขึ้นมาแลว้วลงไปหางตัง้งให้ก็อนแไปเออหางตังง้งยังอยอ้ายอวอ้ยอายแล่นไปตะกอนมมีหัวหนา้าเลยนี่นะละลิ่ง มันตั้งหัวหนาไว้ให้กันเลยมันต้องมีหัวหน่าวไปหัวหนาตัวนี้มันรักษาความปลอดภัยเลยสมัยหลวงพ่อเป็นเล็กน้อยทางบ้านหลวงพ่อก็ลายด้แต่ว่าลิ้ยงไงกูนี่โมเมนตลิ้งหน่อยอันนี้เขาเออเลิ้งกอกลิ้งทางบ้านหลวงพ่ออะรเลีงตัวบกใหญ่เวลามันจะโลกให้เขาโวดให้หมักอึหักอึหมักแตงเนี่ย ว่านาแยแง่ไม่จะขึ้นพิพุทไปง่อยอยู่ต้นไม้สูงสูงอีริมสวนพุ่นน่ะมันจะปล่อยให้ทหารมันเนไปเมืองไปตรวจตำรวจดูสิว่ า, ามีคนดักอยู่แถวนั้นป้องน่ะมันจะปล่อยลลมาสามสีหาโตนไปปล่อยลิงลู่เลี้ยงมูวั่นไะมามันก็จอบจอบมองมอ ง, ม อ, งอยู่ตามอะไรเนี่นนเออ แต่ว่าคนนี่ยมันอยู่ในสุ่มสุ่มแบบหมืดเลยเด้มันก็เหตุนี่มันบาดท่าแล้วนะบาดเนี้ยพอสามสี่หาตทหารกลาพันเบงบอมี่อย่างน้อยแต่พอข้ามมันเห็นมันจะห้องกอกเลยได้บัดเนี่กอกไปบ่ดบอมากไก่ละมาเนี่ยมันบ่เห็นมันบ่เห็นคนหาอะ้รมันก็บ่เห็นมันก็จะกินมักแตงได้วันน่ะได้มักแตงผู้ละน่วยก็ขึ้นไปบอกหัวหน้าเอาไปหัวหน้ายี่ต้นไม้ไปเนี่ยสูง หัวหน้าก็ห้องกอกคนสบาพ่อกอกมู ก, ก็แตกเถอะออกมาจากในป่านะไปโดดลงไปแล้วคนเนี้ยพ่อจักมักอื้อพ่อจักมักแตง่งเราโยบยามยบยำโยบยมเราองไปเออแต่มันก็ย่งอันนั้นเด้ไอ้ลูกน้องมันทหารองค์ขลักหัวหน้าเนีะเออแต่หัวหน้าบกคอยลงไปอยู่ไกล่ตะบานมาอยู่พี่พี่มันน่ะเออมันก็นปุ่ม มักแต่งขึ้นไปก็ไปแหงหัวหนากินมานลงไปเนี่ไปหัวหนากัดนั่งไข่ไม้ยี่ห้อนกักินมักแต่งนอนลงไปนี่แหละบ้าเในพวกเจ้าสวนเนี่ก็บหัจักเนี่ยบักหัวหนามันมักเคยมันลังอยู่แถวนี่ยเขาก็ไปสุ่มยู่แถวนั้นเอาลงไป <c ười> คนเด้อวน่นไปคนมันเก่งกว่าลิงเนี่ยนางยู่สุ่มยู่แถวนั้นเฮ็ดสุ่มหนาหนา บาดแล้วก็ขื่นไปนั่งเฮ็ดไขามาอีกกินอยู่ะเนี่ยวันนปืนแก็บเขาก็ฟาดใช้ปักหัวหนาแล้วกอดมอ น, นไปเออเปียงโดน้ดไปหัวหัวหนาก็ทวนเลยแล้วเลยไปเขายิงหัวหนาไปบอยท้วนท่านน่ะลูกน้อกเนยแตกไปก้อ น, นทีละทางแคตวันนึงไปแคตโดนเติบวันนึงไเดี๋ยวก็มาเอกวนไปเนี่ยเลิง้งม่เป็นจันละมันยานอยู่แต่มันยานมันญานบาแทล มันวามันปัญญาเมันก็เก่งขึ้กันนะนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับพวกสัตว์สาและสิงห์ลิงคางบางจะนีมากเลยสมัยเป็นเด็กหน่อยบ้านปลาบ้านหลงตีนผู้เขาเนี่ยแหละพาน้ำย่อยนะ่ะพาน้ำยอยนะ่ะที่นั่นนะ่ะพวกสัตว์ยูหันโอ้ลายวัดหลวงปู่ศรีมหาวิโรนะ อั น, นี้มาอยู่วัดหน้าคํานอยเขาเขามาเจอเลี่ยงอีกแล้วบานเนี่ยโอ้เลี่ยงตัวนี้ก็หลายเดี๋ยวนี้มันหลายร้อยเลยเดย์เพว่าบอด้จับมาปีกว่าแล้วขายายพันเรีวมากๆเลยเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยลงพอกําลังขืนชลาเนี่ยแตกยาวๆกัไปทั้งกุฏิลงพอเลยนะโอ้ลูกหลานมันนี้หลายไปว่ะบางที่ลงพอ เึินไปกูตีเนี่ยย่างสวนทางลงมาเด้ย่างสวนทางลงมาลุงพ่อก็ย่ า, ยางขึ้นไปสวนทางขึ้นไปมันก็ะลีท่างนะยังดีแต่มันบมนบขันเราลงไป <ś c oughs> <ś c oughs> นั่งข้อมอกเก๊แม่ยกขางทางไกล้ๆประ้าณจะแขนนี่รอลนไปลุงพ่อก็ย่างเสือไปเมื่อก็นั่งอุ้มลูก อุออ้มลูกผูกหลานของมันเอาเลยนะบางตัวมีทั้งหนามีทั้งหลังมันลูกของมันนะโอ้สูญเจ้าเอ้ไปแต่ว่าเสหน้าเสียหน้ายายของมันนะั่งอยู่ในห้าวนไปห่างๆเติม่อไปเออเวลาเวลาหลวงพ่อย่างกายไปนะมันจะทําท่าเห่าไปอ้าปากเห่ า, หาไปมันอวดเขวมันว น, นไป <laughs> โอ้เขวมันยาวอยู่ีเลย โอ้ผันเข่มาม้าลงไปไม่แล้วนะอะป่ะอาปากมันไปโอ้มันอวดแข่ามันเลยมัมึงอยู่ไก่โพดป่ะครับมันอยู่ไก่ไกไม่เท่ากูสิฟาดแข่ามันต้องเข่าหั ก, กนะ ว, วะป่ะนี่แหละโอ้หลายลิ่งวัดเท่าเดี๋ยวนะี่เยวมาบอกให้กู้บาเป็นแตจ่จับกระจับก็ดีที่กันนะอ่ะเห็ดก่งมันแต่มันก็บ่เดือดแล ว, วะ่ะแต่ข้าวกอนนัน มันมีลิ่งอยู่ตัวหนึ่งอยากดื้อยุกพ่อเห็นคนเนี่ยทำทายิงแขวใส่คนมันไปบางคนเนหิวอ้ยังไปเนี่มันทายิงแขวาขยานมันก็โยนให้มันมันไปมันก็เลยได้ใจพ่อต่อมาเนี่ยมันขึ้นไปสายไฟฟ้าสายไฟฟ้านาวัดเมันไปจับมันไปจับสายไฟฟ้าสองเส้นใส่กันไปพราะจับสายเนี่ยมันยืดเส้นสายเนี่ยตัวใหญ่เด้ โอ้มันก็ต่าหล่นแล้วไฟสอดมนันไปโอ้ตายตัว น, นั้นหัวหนายใหญ่มันพ่อตายจากท่านมากก็เลยเงียบไปหลายเต๋อคฝ น, นู้ไนปะเนี่ยแหะเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะตะกอนหัวหนายใหญ่มันไปใส่นอว่ะตะกอนมาเห็นหัวหนายใหญ่มันอวยอายอยอายอะไรเนยโอ้มันตายตะหลวงพออ่อฉันไฟสอดมันโอ้ห่าสงสารมันเว้ยว่ะหลวงพ่อก็บสงสารมันคือกันเนี เหตุยังไงล่ะซัดตะวโรมันปูจากว่าไฟเลยมันจับไฟสองเนษพ่อคืนไปแล้วก็มันพอจะยื้อหากันได้เลยก็ยื้อใชเสษนั่นแล้วทก็นพ่อยื้อเสษนั้นมันก็สอดตัวไฟนไปตกลมาเลยตายนี่แหละมือว่านเมื่อก้อนก็เห็นลงพอย่างเกิดไปจากกุฏิไปชุ่มกันมือนั้นนะมือวันผ้าคืนไปไปเห็นชมด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 ตั้งไก่ทั้งงูเหลือมกินหกไก่ไก่ปลาน่ไก่ปลาแล้วบอกไข่มีมี่คือโยกคข้อกั้วกเนี่ยเห็นบวนกกล่างหนะลงพอบวเข้าวก้อนเลยขันพอมาหอดฉล่านะี่มาเห็นฉล า, านะี่มันจะล่องแบบนี้เลยนะเวลาห้องขึ้นมาเนี่ยทั้งกระพือปีกพร้อมเด้เก็เอิญนกนกทั๋วหัวงอกกนไปภาษาบาลเฮ้าว่านกถัว๋ว ยภาษาทง า, างภาคกลางนกกระลังประมาณห้าหกตัวพอมาเห็นซาลานะมันจะห้องนะไปเห็นกุติหลวงพอ่อกนนะ็ห้องอดืวยกันเน่ยห้องใจอกใจใจอีกเดีวนึ่งไปห้องทั้งพื้นปีกคว่อมแล้วนงไปทั้งขนหัวก็นหงองขึ้นมาอีกหนึ่งไปอ้าปากห้องหนะลวงพอนะ่ อ, อมันมาเห็นซาลามันมาเห็นกุติของพรนะเนี่ยมันมันก็เลยดีใจขึ้นมาหลวงพ่อวาวะ คืดวาวลงไปเออมันดีใจขึ้นมาโอ้ยกันบอมมีสาราลงพอกันบอมมีวัดนี่พวกผู้ขาจะไปอยู่ซ้ายสเน่ไปอยู่สวนยางเขาก็ข่าผู้ขาามดแล้วนอันนี้ได้รับความลมเย็นเป็นชุกเพราะมีวัดว่าศาสนาคู่บายจานพระสงฆ์คุมข้องมันพราะมันมาหอดมันก็เลยลองเพลงศาสตร์ดยประเทศไทยลงน้าเนื้อศาต์เชือไทย ลงพ่อวาวเไปเออพอมาหอดพอเห็นซาลามันห้องเลยเนียนะห้องจะค่อยไปนะเนี่ยมันหองมันเข้าไปแล้วเนะี่ยแต่ละกลุ่มมันเลไปนกกระลงังหากินเป็นหมูสัดหมดแล้วก็มีมูของมันหลายเลยมีก็ะหอกก็มีพวกกระหอกกระแตอยู่ทางใต้ก็ะหอกอยู่ทั้งเั้ ง, งนี่แหละสัด อยู่ในวัดของเห่าทั้งเมิดมันมีกวางขวางพันกว่าไรตั้งปลาทั้งนกแต่ว่านาสงสารแต่นกเป็ดเท่านั้นปีนี้มันจีลงไส ย, ยังวานทปีที่แล้วในน้มแหง้งน้มแห้งได้ทางหลังบัดของเห่าสะบักไงที่หลงตาคูดไทยนะตะควันบเคยแห้งจักเทือกลงไปปีนี้แหง้ง พ่อแหงตะก้อนนนกเป็ดมันลงมาเป็นพันพูไหะว่ามันหน่อยเนีนี่แหละเลิ่มมากเลยเนี่ที่หนาวๆฉันเลยเลื่มมากแล้วเลิ่มมาลงสะแล้ะกําจึกผึกเลิ่นไปจนสีเต็มสะละห้องจิบจับจิบจิบบจิไปเบิงเบิงเนี่ยโอ้ไหลหลีแต่ว่าปีแต่ละปีหลวงพ่อก็บอกว่าพระอย่าไปใกล้มันเนอะแกมันลงซะขันพระไปหยิ่งมั่นมันบินขึ้นไปแหละบ่ดี เขาช่าบ้านดรอเลาะขางเขาที่ยิงมั่นมันบินขึ้นไปแต่ก่อนมันก็บินตำเลยเพราะบินตำเลยชาวบ้านก็ปืนถูกซ่องนลยยิงมั่นโอ้ตกตายไปเพราะรงคว้นอยู่ต่อมามันก็ฉลาดขึ้นกันเนะเพราะมันบินขึ้นเนี่ยมันจะบินบวอดในวัดก่อนบินบดในวัดสูงสะก่อนมันค่อยออกไปแตะกอนเพราะมันพ่นจากพรขึ้นจากหนองมันห้าไปลดลงไป เออเลยไปไอ้ใหม่ไปนันไปนะถือปืนเขาเนี่ยแหละเนี่ยสัตว์อยู่ในวัดของเราแต่ว่าปีนี้นาสงสารอยู่น้ำเขาพ่อไหลอีกปีนิโศกใสสีแห่งนี่แหละที่ว่าตะภาพน้ำที่หลวงพ่อไปเห็นาา น, น่ะปลาฝานอกทะเลาะทะเลอกปอกเปิกมัดมันล่อยบกมันหนีจากน้ำแห้งเห็นแล้วนาสงสารมสัตว์ตะวันกนี่แหละ สรุปเลยก็คือทรัพยสัตว์ทั้งหลายเกิดมาใส่กรรมของฝ่ยของมันกรรมโมนีนาวัตติโลกโกรัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้มันก็อยากมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็อยากเกิดเป็นเทวดายแต่มันเฮ็ดยังไดล่ะอย่างมนุษย์เท่านี่แหละเกิดมาเป็นมนุษย์ละโอ้ผมพ่อใจนี่เป็นมนุษย์ออกจากภพนี้ชาตินี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเทวดาและเป็นภพเถิด แต่ว่าพวกเขาได้มาศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอเกิดออกจากภพนิชาตนนี้ขอให้ขาไปเจ้าพ้นทุกนายวัตะสงสารถึงพระในผพานโดยเทินอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดมันถูกแทะเกิดเป็นมนุษย์กจังสี่แหละเกิดเป็นสัตว์ที่ทะชานกจังสันเกิดเป็นสัตว์ที่ทะชานแห้งทุกหลายเกิดเป็นเป็นมนุษย์กะมิยูมีกิ่นก็จริงอยู่ แต่เวลาเจ็บไข่ได้ป่วยเท่าแก่ชร า, าพร้อมที่จะพบประสบอุบัติเหตุมากมายหลายอย่างเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ท่างใจขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกนวรดาสงสารขอจะได้มมกเวียนวายตายเกิดตามท้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือความปรารถนาผู้ที่ได้ศึกษาได้ศึกษ า, ไ ด, กษาได้ปฏิบัติ ตามรับรักถรำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าตามถ้ำค้ำสอนของพ่อแมฆครูบาอาจารย์เป็นเนะนําสั่งสอนมนุษย์ของเฮ้ากันว่าผู้โบเชื่อการผู้โบเชื่อเอา้าตามประษีภาษาล้อยไปอกันโบเชื่อแล้วก็บริบเฮ็ดความซัวเฮ็ดแต่ความดีมันก็อีกแน่นึงแต่โดยมากมันก็เป็นดุจสันเลยกัรโบเชื่อบาปเชื่อโบนบุญแล้วมันต้องมีทีรับที่แจ้ง ขั้นว่าบ่เห็นบ่รับค่อนข้นบ่เห็นเฮ็ดเฮ็ดเต๋มัดเพราะมันบนเชื้อว่าบาบุ๋นมีดเองแต่ว่าตาไม่จริงเพราะมันเป็นทั้งสัตว์ลาบานี่นั่นแหละไปตามกรรมลาบานี่ออกจากภพนี่ชาตินี้ครับไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นง้อควายสร้างหม่างง้ควายเป็นเต๋มัดขนาดเป็นพระยังเป็นยังเป็นเล่นได้คือดูขนาด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 โซ่เฟื่อรถเนี่ยคือใจคือตัวผู้ลูกคือน้ามาทํานะแต่มันอาศัยเมื่อมันมีชีวิอยู่รถคันนี้มันใส่ได้มันก็ขืนมากลยก็มันก็ขับรถเนี่ยเนี่ยใจหลวงพ่อเนี่งมันอยู่ในตัวหลวงพอ่อให้หลวงพอวอ่อว้าให้พวกสุเจ้าฟังะพวกสู้เจ้าเป็นรถกันจอดจุกับทีกันฟังติดเครื่องฟังอยู่นะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้เวอกให้ฟังนี่แหละ ไผเป็นผู้ว้าวนามธรรมมนโนปุพังคมาธรรมามนโเามนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคืออย่าง ค, ค, คือโซเฟอร์นั่นแหละเนี่ยแหละขันาว่าเขานั่งภาวาน่าจิตใจสงบแล้วเขาจูงหูจักชัดเจนเลยในจุดนี้นะขันาวาจิตใจบนสงบ์ปูงจักดอกแยกบ่อบอัลลภพรนะต่ไดอนุมตนาให้พ่ร